ใจไม่ได้ทำให้ใครต่อใครเขาเดือดร้อนในที่ว่ามันไม่ไดีมาดูอีกทีไม่ใช่แค่มองคอนอยากอิสระตามใจทำอะไรอะไรต้องทำได้แน่นอนบอกคนไม่โดนอย่างนี้ว่าไม่ไดี เขาคิดเรือความฝันไม่จำเป็นต้องคิดคูถ้าไม่ลองทำไมทำแล้วมือไรจะได้รู้มองดูในกระจกก็นั่นและคลือศัตูู N E X T This is how we do.